ถ้าในตำราท่านก็แจกแจงเอาไว้ว่าพระพุท ธ, ธเนี่ยก็มีถึง3ประเภทก็คือสัมมาสัมพุท ธ, ธะแล้วก็ปัจเจกับพุท ธ, ธะแล้วก็อนุพุท ธ, ธะ อย่างพระพุทธเจ้าของเราก็เป็นสัมมาสัมพุท ธ, ธใช่ไหมตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองแต่การที่ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองแล้วแต่ไม่ได้สั่งสอนไม่ได้ตั้งศาสนาเนี่ยก็จะกลายเป็นพระปัิเจกขพุท ธ, ธะไปแต่พระสมณโคดมสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราก็ได้ทรง แสดงธรรมแจกแจงธรรมก็จึงได้เป็นสัมมาสัมพุท ธ, ธะแล้วก็พุท ธ, ธะประเภทสุดท้ายก็คืออนุพุท ธ, ธะอนุก็แปลว่าตามนะคือตรัสรู้ตามรู้ตามรู้ตามได้จากการที่เราได้ยินได้ฟังธรรมะที่พระองค์ทร ง, งแสดง แล้วก็ได้นำมาใคร่ครวนพิจารณาให้มันเข้าไปถึงใจความเป็นพุทธก็บังเกิดขึ้นที่ที่ใจของเราและคุณสมบัติของพุทธก็คือที่เราชอบสวดกันหรือได้ยินได้ฟังนแหละว่าเป็นผู้รู้ แล้วก็เป็นผู้ตื่นแล้วก็เป็นผู้เบิกบาน 3. คุณสมบัตินะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอันนี้มันเป็นจะบอกว่าแยกจากกันก็ไม่ถูกแต่จริงๆแล้วมันเป็นคุณสมบัติอันเดียวของคนที่ได้รับคุณสมบัติของพุทธ เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้แต่เราไม่เบิกบานก็ยังไม่ใช่แต่ถ้าเรารู้เราตื่นรู้แต่มันไม่เบิกบานเนี่ยมันก็ยังไม่ครบถ้วนบริบูรณ์เท่าที่ควรเพราะว่าความเบิกบานมันก็มันมาพร้อมกับ คุณสมบัติที่เรียกว่าผ่องใสผ่องใสเบิกบานเหล่านี้มันมาได้จากไหนมาจากการที่จิตใจของเราเนี่ยมันไม่เศร้าหมองเราได้นําเชื้อเราได้นําความเศร้าหมองที่เรียกว่ากิเลสเนี่ยได้เอาออกไปจากใจเครื่องเศร้าหมองคือกิเลสได้หมดออกไปจากใจ มันก็จึงผ่องใสเบิกบานแต่ถึงกระนั้นการที่เราอยู่บนเส้นทางที่เรากาลังจะเดินก้าวไปให้มันถึงปลายทางตรงนั้นเนี่ยเราก็ต้องคอยหมั่นตรวจสอบเหมือนกันว่าเรามีคุณสมบัติที่เรียกว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไหม ไอ้รู้เนี่ยเรายังไงมันก็เป็นปกติอะเราพยายามที่จะรู้พยายามสร้างความรู้พยายามทำให้วิชามันเกิดขึ้นในใจตื่นมันก็ตื่นจากความหลงที่หลงไปคิดหลงไปยึดติดยึดมั่นถือมั่นหรือว่าหลงไปเห็นผิดเหล่านี้ก็ตื่นจากความหลงผิดตื่นจากความไม่รู้ มาตื่นแล้วก็รู้ขึ้นแต่ตื่นรู้ถ้าไม่เบิกบานเนี่ยแสดงว่ามันยังไม่ครบองเลยแสดงว่ามันยังไม่ได้กำจัดไอตัวที่เรียกว่าความไม่รู้วิชาความไม่รู้แล้วก็มีโมหะที่มันคอยบังใจองของเราเอาไว้มันก็ทํทำให้เราไม่ ยังไม่เท่าทันอันนี้พอเราไม่เท่าทันเราก็เบิกบานได้ลำบากหรือไม่เบิกบานการเป็นสมาธิมันมีความสบายอยู่ก็จริงแต่การที่เราละวางปล่อยมันทำให้เราเบิกบานได้แต่สมาธิมันก็เป็นการที่เราเรียกกดไว้ข่มเอาไว้ ซึ่งเครื่องเศร้าหมองของจิตกดไว้ข่มเอาไว้เพราะว่าการที่เรามีอารมณ์ที่เป็นกุศลที่อยู่กับพุทโธ ท, ที่อยู่กับลมหายใจเติมอารมณ์เหล่านี้ไปเรื่อยๆ เ, เติมอารมณ์เหล่านี้ไปเรื่อยๆมันก็เหมือนเรามีถังอยู่ใบหนึ่ง เราก็เติมของใหม่ลงไปข้างบนนั่นแหละเติมไปเติมไปพอมันเต็มเราก็กดลงไปอีกกดลงไปอีกแต่ไม่ใช่ว่าไอ้ของที่มันอยู่ข้างล่างเนี่ยมันมันจะหายไปมันก็ยังอยู่นั่นแหละพอเรานำของที่อยู่ชั้นบนออกไปเรื่อยออกไปเรื่อยออกไปเรื่อยไอ้ตัวชั้นล่างมันก็โผล่ขึ้นมาเหมือนเก่า กิเลสมันก็นอนเนื่องอยู่ในจิตใจของเราอ่ะเราก็เติมอารมณ์นี้เติมไปเติมไปเติมไปเติมไปซึ่งถ้าเหมือนกับเป็นถังใส่สเราสามารถที่จะเห็นภายในได้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าไอตัวกิเลสก็คืออยู่ชั้นล่างเนี่ยมันก็โดนปีบเล็กลงเล็กลงเล็กลงเล็กลง พอมันโดนบีบแน่นๆเข้าก็เกือบจะเหมือนว่าไม่มีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ใช่ว่ามันจะหมดไปมันก็มีนั่นแหละแต่เราเหมือนกับว่าจะมองไม่เห็นมันก็เหมือนกับว่าจะผ่องใสขึ้นมาระดับหนึ่งก็คือเหมือนกับสะอาดขึ้นดีขึ้นเพราะว่าเราเติมของดีของสะอาดเข้าไป แต่แน่นอนว่าสิ่งที่เราเติมลงไปมันก็เป็นของที่อยู่ภายใต้สามัญลักษณะที่เรียกว่าอันิจจังมันก็หมดไปได้ตามเหตุปัจจัยเราจะสามารถเข้าสมาธิทรงสมาธิได้อยู่ตลอดไหมซึ่งถ้ามันไม่ได้มันก็ต้องค่อยๆ อ, อ่อนกําลังลงไปความสงบที่มีก็ต้องน้อยลงไปแล้วมันก็จะ ทำให้ไอ้ของเก่าคือกิเลสคือความเศร้าหมอง ม, มันก็เฟื่องฟูขึ้นมาได้มันก็ทำให้ใจเราไม่เบิกบานอันนี้ก็เปรียบเทียบให้ฟังว่าถ้าการที่เราเข้าสมาธิอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้เป็นการที่ ทำงานได้ได้อย่างถูกต้องสัทีเดียวซึ่งงานหลักในศาสนานี้คืองานทางด้านปัญญาด้วยจะมีการรักษาศีลมีการทำสมาธิแต่ถ้าขาดการใครครวนพินิจพิจารณาให้มีปัญญาเกิดขึ้นในใจอันนี้เราก็จะไม่สามารถาไปถึงยอดสุดของ หรือเป้าหมายของพุทธศาสนามันก็จะมีที่ว่ากตังกรณีอย่างกิจอันใด ท, ที่ต้องทำคเราก็ได้ทำแล้วแต่ถ้าเราไม่หมั่นที่จะพิจารณาด้วยให้เข้าใจตามความเป็นจริงไอ้กิจที่เราควรทำคือการใคร่ควรวนพินิพิจารณาเราไม่ได้ทำเพราะฉะนั้นมันก็จะไป เรียกว่าถึงจุดที่เรื่องเรียกว่าวุสิตังพระมจริยังพระมจริย์นี้เราได้อยู่จบแล้วเนี่ยมันก็ไม่จบเหมือนกันเพราะว่าการงานที่เราควรจะทำเราก็ไม่ได้ทำมันก็ทำนั่นแหละแต่มันทำไม่ครบมันก็ขึ้นชื่อว่าทำไม่เสร็จมันก็เป็นกตังกรณียังไม่ได้ พามันเป็นกระตังกรณียังไม่ได้ก็เป็นวุตสีตังพรมจรียังไม่ได้ด้วยพราะจรย์ก็ไม่สามารถที่จะอยู่จบได้เพราะฉะนั้นตัวที่หยับหยาบเนี่ยเราก็มองเห็นได้ง่ายอย่างการที่เราได้รับผัสสะทางไม่น่าพอใจอันนี้มันเห็นได้ง่ายเราก็พยายามหลีเกเลี่ยง แต่แน่นอนว่าไอ้ภาษาที่เป็นภาษาด้านดีด้านที่เรายินดีพอใจบางครั้งอันนี้เราอาจจะละเลยไปถ้ามันดีเราก็เกาะกับความดีเอาไว้มีความยึดติดกับความดีเอาไว้ถามว่ามันดีไหมมันก็ดีแต่ถามว่ามันทำให้ดีสุดทางไหมไม่สุดทางนะเพราะกันที่เราเจะสุดทางได้เนี่ย ดีเราก็ปล่อยวางได้ไม่ดีเราก็ปล่อยวางแต่โดยมากไปแล้วโดยมากเนี่ยเวลาที่เราปฏิบัติธรรมไปแล้วเนี่ยอาจจะได้รับผลของการปฏิบัติธรรมคือเริ่มที่จะมีความวุ่นวายน้อยลงเริ่มที่จะเห็นว่ามีทุกข์น้อยลงก็เสมือนว่าเรามีความสุขมากขึ้นมีความสุขภายนอกมากขึ้น ความสุขภายในเราก็มากขึ้นจากการที่เราทําความสงบได้ชีวิตมันก็ดูมีสีสันแฮปปี้ดูห ล, ะ ล, ะละดัดล้าดีพอมันเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยมันก็เป็นช่องให้กิเลสในใจเราเนี่ยมันเกิดเขาเรียก ว, ว่ามีความเพลินมีความยินดีมีความเพลินแล้วก็มันก็จะพัฒนาไปถึงจุดที่เรียก ว, ว่ามีความกำนัดยินดีในกามทั้งหลายอยู่ ซึ่งถ้ามันเป็นอย่างนั้นเนี่ยมีความดีมีความเพลินมันก็ไม่สามารถที่จะเห็นโทษของกามได้ไม่สามารถที่จะปล่อยวางแล้วก็ย้อนกลับเข้ามาสู่ความเป็นกลางได้เพราะฉะนั้นการที่เราเห็นโทษแล้วก็พิจารณาอยู่เนืองๆเข้าสมาธิบ่อยๆ อ, อันนี้ก็เป็นการงานภายในที่จำเป็น เพรนันมันละเลยไม่ได้นะเราบอกว่าเวลานี้จะเป็นเฉพาะงานสำคัญคือการงานภายนอกโดยถ่ายเดียวมันไม่ไม่ถูกมันต้องพยายามปรับให้มันไปคู่กันให้ได้ถึงแม้ว่าเราจะรู้สึกว่ามันยากแต่เราก็ต้องทำอ่ะถ้ามันไม่ทำไม่เดินทางนี้มันก็ไปไม่ได้ถึงมันจะยากถึงมันจะดูลาบาก ถึงมันจะดูซับซ้อนแต่มันเป็นทางที่เราจะต้องเดินไปเราต้องทำให้มันได้ทำการงานภายนอกหายอยู่หากินก็ต้องทำไปแต่ก็จะเอาเป็นข้ออ้างในการที่เราจะไม่หมั่นพิจารณาไม่หมั่นทำความสงบอันนี้มันก็เป็น เงื่อนไขที่กิเลสมันจะมาบั่นทอนเรานั่นแหละซึ่งถ้าเราไม่ย่อท้อยากก็ทำง่ายก็ทำขี้เกียจก็ทำขยันก็ทำมันก็ได้ขึ้นชื่อว่าทั้งภายนอกภายในเราก็พยายามประครับประคองให้มันเขียงคู่กันไป พยายามเคียงคู่กันไปอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราเห็นโทษแล้วแต่ก็อีกสิ่งหนึ่งเนี่ยที่ต้องคอยสังเกตให้ดีก็คือไอ้ความที่ใจเราเนี่ยพิจารณาเห็นโทษแล้วเราก็รู้สึกว่าไม่มีสาระเก่ยนสารพยายามให้ใจไม่ไปข้องเกี่ยวไม่ไปข้องแวะกับเรื่องภายนอกพยายามรักษาจิตใจ พยายามรักษาจิตใจอันนี้ให้ดีเป็นเรื่องดีนะแต่การที่เรายึดใจเอาไว้พยายามประคองเข้าสมาธิให้ดีพยายามรักษาสติให้ดีมันก็เป็นเรื่องดีแต่มันมีช่องอันหนึ่งไอ้ตัวที่มันเขาเรียกว่าตัวแสบตัวแสบเลยแหละก็คือความหลงความเผลอหรือความหลงเนี่ยที่ มันทำให้สังเกตยากโทรศันี่ง่ายจีทชารมันรุนแรงมันดูแบบเห็นง่ายอะราคามาะมันก็เห็นง่ายโลภะมันก็เห็นง่ายแต่ตัวโมหะนี่มันไม่ได้เห็นง่ายนะีเพราะฉะนั้นบางทีบางครั้งเรารู้สึกว่าเรารักษาสติอยู่ มีสติอยู่กับลมหายใจอยู่มีสติอยู่กับพุโทโธอยู่เรารู้สึกไปอย่างนั้นนะแต่ความจริงความหลงมันก็สอยไปกินแล้วเพราะฉะนั้นการที่เราเห็นใจอย่างที่ถ้าใครฟังเท่ของหลวงปู่เทนะ่เนี่ยหลวงปู่เท่ก็บอกจิตมันเป็นผู้นึกผู้คิด เพรา ะ, ะนั้นเราเข้าสมาธิเราจับใจให้มันได้ใจมันเป็นตัวผู้รู้จับตัวผู้รู้ให้ได้แต่ถ้าคนฟังใหม่ๆก็อาจจะรู้สึกว่ามันยากเหมือนกันนะอาจจะเข้าใจยากเพราะมันเป็นสภาวธรรมที่พยายามใช้คำพูดอธิบายแล้วพอมันไปอย่างนี้มันใช่อย่างที่ท่านพูดหรือยังเพราะงั้นก็อยากจะเสริม ที่ทันเทีอีกนิดหนึ่งก็คือว่าที่ว่าที่ว่าใจนะก็ะคือความใส่ใจความตั้งใจนั่นแหละไอ้ตัวนั้นแหละความใส่ใจความตั้งใจของเราเนี่ยกระแสะของใจก็คือความใส่ใจความตั้งใจของเราเนี่ยเราเห็นดีเห็นได้ละเอียดไหมถ้าเปรียบเทียบไม่ปลอเห็นภาพเนี่ยก็เหมือนกับการที่เราอ า, อาจจะสวดมน ได้คล่องแล้วทำวัดเช้าเราทำวัดเช้าทุกวันไม่ต้องเปิดหนังสือทำวัดค่ำทุกวันไม่ต้องเปิดหนังสือเวลาที่เราทำวัดเช้าวัดค่แล้วก็ทำกับหมูคนะ่คณะเอก็ทำไปแล้วก็ปากว่าได้พร้อมกันนั่นแหละแต่บางทีความใส่ใจของเรามันไปอยู่กับเรื่องงานไปอยู่กับเรื่องนั้นเรื่องนี้ทั้งๆที่เราก็รู้สึกว่าเรากาลังนั่งสวดมนต์อยู่นั่นแหละ มันก็เห็นได้ว่าความใส่ใจของเราเนี่ยมันไม่ได้อยู่กับการสวดแล้วมันหนีออกไปก็โมหะคือความหลงหลงเห็นว่าเรื่องที่เรากำลังติดติดอยู่ผูกพันอยู่มันดึงเราออกไปหลงหลงไปหลงตามความอำนาจความหลงให้มันฉุดรั้งเราออกไปออกไปจากการงานที่เราควรจะต้องทำ ในที่นี้ก็ยกตัวอย่างเรื่องการสวดมนต์เพราะฉะนั้นมันก็ดึงใจเราออกไปจากการสวดมนต์แต่บางครั้งถ้าเราไม่ได้สวดมนต์เราพยายามอยู่กับลมหายใจอยู่กับพุทโธมันก็มีความเคยชินนั่นแหละมีความเคยชินแบบที่เราดูลมหายใจทุกวันทุกวันอยู่เรื่อยๆบ่อยๆ มันก็มีความคล่องตัวมีความเคยชินเหมือนกับ เ, เหมือนกับสวดมนน่ะแหละเพราะฉะนั้นเวลาก็พอมันชินพอมันมีความคุ้นเคยคล่องตัวใจมันก็จะหนีง่ายละเวลาที่เราทําอะไรใหม่ๆเริ่มต้นอะไรใหม่ๆความตั้งใจมันจะมาก ความตั้งใจความจดจอ่อมันก็จะจดจ่อได้ดีแต่พอเราเริ่มที่จะชินเริ่มที่จะคล่องแล้วแหละไอ้ความประมาทนอนใจความหลงมันก็จะทำงานได้ดีแล้วมันก็จะดึงใจของเราออกไปนั่นแหละซึ่งคนไม่ละเอียดก็จะเห็นว่าเราอยู่กับลมหายใจเราอยู่กับพุโทโธ แต่ถ้าคนละเอียดมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยเขาก็จะเห็นว่าเปอร์เซ็นต์น่ของใจที่เราอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจเนี่ยมันอยู่จริงแต่มันอยู่ไม่ครบร้อยมันอยู่แค่อาจจะ50อาจจะ60หรือ40อะไรเหล่านี้เพราะฉะนั้นมันก็มีจังหวะที่มันดึงใจเราออกไปนั่นแหละ มันก็เป็นสาเหตุหนึ่งนี้ที่ว่าเอ๊ะทำไมเราอยู่กับพุโทโธเราอยู่กับลมหายใจแล้วมันยังดูไม่ค่อยได้น้ำได้เนือมันดูยังไม่ค่อยสงบเท่าที่ควรแล้วพอเราดูลมหายใจหรือว่าอยู่กับพุโทโธซึ่งบางครั้งเราอาจจะอยู่คนเดียวไม่มีงานไม่มีการที่ภายนอกมาวุ่นวาย มันก็แอบขโมยหนีไปตามความคิดได้ถ้ายกตัวอย่างก็เหมือนพวกแบบนั่งแล้วก็มือลอยอย่างเงี้ยทอดอารมณ์คีทอดอารมณ์นั่งทอดอารมณ์ไปถ้าเกิดใจเราลอยเหมือลอยทอดอารมณ์ไปอย่างนั้นเนี่ยถึงแม้มันจะมีพุโทโธกำกับถึงแม้เราจะเห็นลมหายใจอยู่ ก็พึงเตือนตัวเองได้เลยว่านั่นแหละใจมันไม่ได้อยู่กับลมใจมันไม่ได้อยู่กับพุโทโธแล้วนะนั่นแหละกระแสใจที่มันไหลออกมันเป็นอย่างนั้นไหลออกไหลออกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามีนิสัยที่แบบว่าเวลาไม่มีการงานอะไรแล้วเราก็ ทอดอารมณ์ปล่อยใจไปตามอารมณ์ทอดอารมณ์ไปก ma <t> ็ให้สรา้างนิสัยขึ้นมาใหม่พยายามไม่ให้เราเมื่อลอยพยายามพยายามไม่ให้มีนิสัยที่ทอดอารมณ์ออกไปถึงมันจะดูสบายๆถึงมันจะดูแบบเออเราก็ไม่ต้องมีงานมีการอะไรที่มาวุ่นวาย <t> ก็สบายดี แต่นี่แหละตัวแสบเลยตัวโมหะนี่แหละตัวแสบมันหลงไปอยู่กับการทอดอารมณ์ออกไปส่งใจออกนอกออกไปพอมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยสติมันไม่ใช่เป็นสัมมาสติพอมันไม่ใช่สัมมาสติมันมันเอาไปใช้ทาการงานอะไรไม่ได้ ถึงทำได้มันก็ทำได้ไม่ถูกอ่ะมันเราสนเข็มอ่ะไม่เข้าไม่เข้าสักทีเนึ่งเพราะฉะนั้นไอาการที่เราปล่อยใจให้มันเผลอเผลนเมื่อลอยทอดอารมณ์อะอันนี้ต้องระวังระวังมากมากเลยแล้วพอเราเป็นอย่างนั้นบ่อยๆเนี่ยมันจะ ทำให้เราเป็นคนที่จิตใจมันไม่เบิกบานไม่ผ่องใสด้วยระดับหนึ่งมันก็จะซึ่งซึ่งเนื่อยใจมันดูมันไม่สดชื่นไม่เบิกบานไม่มีกําลังการที่เราปล่อยใจมันเพลินไปกับการที่นั่งทอดอารมณ์ไปอะไรอย่างเงี้ยเราสังเกตได้เลยว่าลักษณะใจแบบนั้นเนี่ยมันไม่ได้ผ่องใสไม่ได้เบิกบาน มันเป็นใจที่มันเนือยนายอ่อนแอไรกำลังไรพลังเป็นคุณสมบัติของใจที่ไม่ดีถึงมันจะดูไม่มีเรื่องกระทบอะไรดูเหมือนจะแบบเฉยเนิ่งนิ่งอยู่ได้เสมือนหนึ่งว่าจะมีสมาธิจะเป็นสมาธิแต่ให้ทำเครื่องหมายเอาไว้เลยว่าไม่ได้แล้วนะถ้าเป็นคราวหน้าเจอคราวหน้าเนี่ย ให้รีบกระตุกใจให้ตื่นให้ตื่นขึ้นมาให้มีความกระฉับกระเฉงขึ้นมาในจิตใจให้มันมีความใส่ใจกระตือรือร้อนย้อนกลับมาที่พุทโธย้อนกลับมาที่ลมหายใจทำใจให้เหมือนกับ ผู้หมยังไงถึงเรียกว่าเป็นใจของผู้ใหม่ก็จะมีประสูตที่กล่าวถึงสะพ้ยใหม่ใช่ไหมเวลาที่มาใหม่ๆอยู่บ้านพ่อผัวใหม่ๆอยู่บ้านผัวใหม่ ๆ, ๆก็จะสำรวมกิริยามารยา์แต่พออยู่ไปอยู่ไปเริ่มชิน ก็เริ่มที่จะติว่าพ่อผัวบ้างแม่ผัวบ้างเริ่มติว่าคนนั้นบ้างคนนี้บ้างจากการงานที่เคยทําได้ละเอียดเรียบร้อยขยันขันแข็งก็กลายเป็นคนที่มีความชินชากับการงานแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ใส่ใจทําขี้เกียจบ้างผัดวันประกันพรุ่งบ้าง ทั้งนี้ทั้งนั้นมันมาจากความชินชาน่าแหละความเคยชินแล้วนิสัยของกิเลสมันก็ประทุออกมาซึ่งการที่เราพยายามทําตัวให้เป็นเหมือนกับสะพ้ายใหม่อยู่ตลอดมันก็จะทําให้เราเป็นผู้ไม่ประมาทไม่นอนใจเป็นผู้ที่ได้ฝึกสร้างนิสัยที่ดีให้มันแข็งแรง ไม่นอนใจที่จะปล่อยให้มันอ่อนแอลงไปด้วยความเคยชินด้วยความคิดว่าเราคุ้นเคยกับมันแล้วเราเร า, เราทำได้ดีแล้วแล้วถ้าเกิดเราได้สลัดไอ้ความเนือยนา ย, นายความเอื่อยเฉยของใจ ได้ย้อนกลับมามีความกระตือรือร้อนแล้วก็ได้อยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจหรืออยู่กับการพิจารณาต่างๆไม่ว่าจะเป็นการพิจารณาอสุภะหรือว่าดูกระดูกหรือว่าพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงพิจารณาเห็นเป็นธาตุสีอะไรเหล่านี้พอเราอยู่กับ การงานการพิจรารณาหยีได้ใจเราก็ค่อยๆที่จะปล่อยได้ทีละหน่อยสองหน่อยปล่อยอารมณ์ไปได้ทีละหน่อยสองหน่อยมันต้องมีจังหวะที่ให้เราเห็นได้บ้างแหละว่าเวลาที่ใจมันเบาสบายปลอดโปรง่งเบิกบานมันต้องมีให้เราเห็นบ้างแหละ ซึงถ้าเราเห็นแล้วเนี่ยเราจําได้ว่าสภาวะไอความเบิกบานความปลอดโปร่งของใสมันเป็นยังไงมันก็จะได้รับการเปรียบเทียบนั่นแหละว่าไอเวลาที่มันจะดูเฉยเฉยแต่มันมีความในเนยมันไม่ผ่องใสอ๋อมันเป็นอย่างนี้มันต่างกันนะเพราะฉะนั้นเราก็สลัด ให้ใจของเราเนี่ยออกจากความในนา ย, นายออกจากความเอื่อยเฉยย้อนกลับมามีความกระตือรือร้นเป็นใจที่ตื่นตื่นอยู่กับการงานมันก็ต้องค่อยๆฝึกให้มันชินน่จริงๆมันก็ไม่ได้ทำ ดูอะไรเยอะแยะนะเ็ีแต่ว่าเราทำถ้าถ้าเรายังไม่เคยเห็นสภาวะก็ต้องพยายามทำให้เห็นแต่พอเห็นแล้วรู้แล้วก็ต้องทำให้มันชำนานทำให้มันได้บ่อยๆไม่ใช่ว่าถึงแล้วแล้วก็จบกันไม่ใช่แต่ถึงแล้วแล้วก็ต้องทำให้มันได้บ่อยๆทำให้ชำนานทำให้เป็นวสี แน่นอนและความเคยชินก็คือว่าสีของเราเนี่ยแหละความคล่องตัวแต่เดินมาก็คล่องตัวไปในแบบกิเลสใช่ไหมทีนี้เราก็ต้องพยายามดัดมันฝึกมันขัดเกลามันให้มันมาคล่องตัวในแบบธรรมะในแบบที่ใจเป็นคุณสมบัติคือรู้ตื่นแล้วก็เบิกบานสําคัญในความเบิกบานนี่แหละ ที่มันจะเป็นตัวชี้วัดว่าใจเราเนี่ยมันไม่โดนโมหะครอบงนะํนเพราะะนั้นขัดยิ้มขัดที่จะทํายังไงให้ใจมันยิ้มได้ให้ใจมันยิ้มใจมันจะได้เบิกบานเป็นพอใจมันเบิกบานมันมันอาจจะไม่ได้ไป เหมือนกับว่าเป็นใจที่มันปราศจากอารมณ์สมมุติแล้วผ่องใสเบิกบานแบบนั้นก็จริงแต่อย่างน้อยๆในเบื้องต้นเนี่ยให้มันเป็นอารมณ์ของโลกสมมุติที่ที่เบิกบานอยู่ในใจซบเบื้องต้นก่อนก็ยังดี มันก็ต้องใช้อาศัยสัญญาความจำนั่นแหละความจำได้ความจำในอารมณ์ต่างๆได้รู้จักว่าอารมณ์อันนี้เป็นแบบนี้ไม่ดีอารมณ์แบบนี้เป็นอารมณ์ในทางฝ่ายดีก็พยายามพลิกใจพลิกอารมณ์ในฝ่ายไม่ดีทิ้งไปแล้วก็กำหนดพลิกอารมณ์ในใจฝ่ายดีของเราขึ้นมา มืนกับที่เขาเรียกว่าเจริญอสุภสัญญาใช่ไหมสับมันก็บอกไปแล้วนะว่าเป็นอสุภาษสัญญาสัญญาคือความจําความจําได้ในอารมณ์อสุภาใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้ามันมีอารมณ์ที่มันเป็นราคะเกิดขึ้นมันก็แก้กันด้วยอะไรก็คืออสุภาษสัญญาอันนี้ถ้ามันเป็นความ เนืนเอื่อยเฉยเราเคยจําได้นี่อารมณ์ที่มันกระตือรือร้นอารมณ์ที่มันแช่มชื่นอารมณ์ที่มันเบิกบานผ่องใสเราก็เจริญอารมณ์เหล่านั้นในใจอามาแทนที่นั่นแหละท่านั่นมันก็เหมือนกับพลิกใจของเรานี่นยแหละนะ ก็พยายามฝึกพยายามทําให้มันได้พยายามทําให้ใจมันเบิกบานช่มชื่นเพราะยังไงซะเราปฏิบัติธรรมเราก็อยากที่จะมีความสุขแน่นอนว่าพระพุทธเจ้าตรัสถึงเรื่องทุกข์เราก็อยากจะพ้นทุกข์แต่เลึกๆในใจก็คือเราก็อยากมีความสุขนั่นแหละ พราะนั้นก็พยายามให้ใจมันเปิกบานให้ใจมันผ่องใสหัดให้ใจมันยิ้มมันจะได้มีความสุขในใจมันจะได้มีเครื่องที่จะเป็นกาลังใจให้กับตัวเองทั้งหมดทั้งมวลก็ทาอยู่ที่ลมหายใจ เฉพาะหน้าเราเนี่แหละมีสติแล้วก็เอาใจเอาอารมณ์ในใจของเราเนี่ยยกมาไว้ที่สติที่อยู่เฉพาะหน้าเรา